ปฏปิบัติปฏิบัติธรรมคือเจริญเจริญสติจเจริญสติเรียกว่าศีลสังวรเจริญสติมีสติสมบูรณ์อันจึงเรียกว่าศีลสมบูรณ์ สัมมาสติจเจริญสติและลึกลู่อย่างหายใจเข้าหายใจออกนับพุทธพุทโทพุทธโทพุทธหายใจเข้าโธหายใจออกตามแบบของท่านพอลีแบบอนาปานสติสติกำหนดลมปาน ลมปานลมหายใจท่านพอลีสอนกําหนดหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองหายใจเข้าหายใจออกนับสามไปถึงสิบก็นับหนึ่งไปถึง9นับหนึ่งไปถึงแปด เรียกว่าถอยลงมาถอยลงมามเป็นเนี้ยหนึ่งเพิ่มขึ้นไปอีกอ น, นี่เป็นการเจริญสติในความระลึกรู่มันระลึกรู่ในอารมณ์มันเดียวต่อเนื่องกันถ้าสติขาดมันจะเลยไปที่ไป มันจะเลยไปถึงสิบมันจะเลยมันจะไม่หยุดอันนี้อันหนึ่งอีกแบบหนึง่งแล้วก็นับไปถึงร้อยสองร้อยสามร้อยคือสังเกตดูไม่ให้สติเผล อ, อภาวนาภาวนา ภาวนากับการโมลิโภกอาหารการเคี่ยวอาหารอย่างนี้ก็ได้ด้วภาวนานี่ภาวนาได้ทุกอิริยาบถ ท, ทุกเวลาอาหาเลปฏิกูลสัญญาอุบายการตั้งสติกำหนดท่านบอกไว้มีอยู่สี่สิบอย่าง ในการกำหนดรูการเคี่ยวอาหารหรือการเพ่งอาหารที่เคี่ยวกินนี่เขาเป็นอุบายอุบายสร้างความระลึกลู่คือสติธรรมเมื่อสติเมื่อสตินี่ ต่อเนื่องกันกับคุ้มคองคุ้มคองใจสติคุ้มคองใจท่านอุปมาอันหนึ่งเหมือนกันกับเราเอาสุมเอายางครอบไก่หังไก่ใจใจเป็นไก่ สติเป็นสูงเป็นยามกายใจกายเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาแต่มันก็วิ่งอยู่ในนั่นละมันวิ่งอยู่ในเครื่องครอบมันไม่ให้มันมันไม่เลยเครื่องครอบออกไปหรืออีกอย่างหนึงเรียกว่าสติเป็นแก้วครอบดวงไฟ ลมพัดมาไม่ะทะไฟเพราะมีสติเป็นตัวกั้นอยู่นี่ก็เหมือนกันสติคอบใจสติคอบใจอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ะทะสติสติลูกแล้วลึกลูกแล้วลึกลูกแล้วก็ดับไปแล้วลึกลูกก็ดับไม่ไม่ตามไป ถ้าตามอารมณ์นั่นไปสติไม่มีกำลังสติไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นจึงว่าสติเป็นเครื่องรักษาใจที่ท่านบอกไว้ว่าสติเป็นเครื่องอุปการะใจเป็นธรรมที่อุปการะต่อใจ ผู้มีสติไม่เผลอเรียกว่าไม่ประมาทขาดสติก็เรียกว่าประมาทนี่จเจริญเจริญสติจเจริญสตินี่ต่อเนื่องกันสติมั่นคงตั้งมั่นสมาธิเขามั่นคงความตั้งใจมั่น มั่นคงได้ด้วยสติมั่นคงแต่ปัญญาเนี่ยต้องต้องฝึกต้องเจริญปัญญา เ, เพราะปัญญาที่ไม่น้อมไปในการวิตกวิจาร์พินิจพิจารณานะมันจะไม่ละเอียด มันก็เกิดขึ้นปัญญาในสมาธิปัญญาในสมาธิปัญญาเกิดในขณะที่จิตของเรามันสงบมันรู้แนวอยู่เป็นขณะจิตบางทีมันก็มีเรื่องผุดขึ้นมา น, นิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ เมื่อมันฝุดขึ้นมาอย่างนั้นนี่มันไม่ละเอียดทามันฝุดอันนีจ้จำทุกคงอนัตตามันไม่ละเอียดที่ต้องมาวิตกวิจาร์ต้องมาฝึกพิจารณา อ, อนันนจจังคาว่า อ, อนิี้จำไม่เที่ยงอะไรมันไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงอันนั้นมันเป็น มันเป็นชื่อมันเป็นชื่อมันเป็นคาสมมติว่าอันนี้จังเคยความไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงมันต้องน้องขม่กายหรือไม่เที่ยงหรือจิตไม่เที่ยงลูกไม่เที่ยงหรือเวทนาไม่เที่ยงหรือสัญญาไม่เที่ยงหรือสังขารไม่เที่ยงหรือวิญญาณไม่เทียเ่ยงนี่ต้องมาวิโต ว, วิจารณ์ วิญญาณคืออะไรออกอะไรเป็นวิญญาณอะไรเป็นสัญญาอะไรเป็นสังขารอันนี้ต้องมาคิดมาตึกตองมาวิตกวิจารณ์ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่เกิดความแจ่มแจ้งนี่เรื่องการเจริญปัญญา ที่นี่เมื่อรู้ว่ารูปไม่เที่ยงตามในอนัตตลักขณสูตรที่พวกเราสวดที่หลวงตาว่าสวดน้อมถวายองค์ในหลวงอ่ะก็สวดขันห้าที่พระพุทธเจ้าแสดงให้แก่ปัญจวคีทั้งห้าฟัง รูปไม่เที่ยงรูปก็คือรูปร่างกายของเรานี่แหละในร่างกายตัวตนของเราเมันไม่เที่ยงมันแปรปวนก็ะเพ่งดูในความไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงผมก็ไม่เทีย่ยมงอกขึ้นมาก็ยาวก็ไปตัดไปหรือแปรปวนสีดำเรา็กลายเป็นสีขาว แล็บ ก, ก็ไม่เที่ยงปั้นก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงมันก็ที่ปัญญามันเท่าถ้ามันเดินมันจะไปละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปก็เรียกว่าเห็นรูปเห็นรูปไม่เที่ยงอเห็นในรูปร่างกายเนี่ยไม่เที่ยงแปลป่วนเวทนา ยกเวทนาคือความไม่สบายความเจ็บปวดนี่แหละเวลาเรานั่งภาวนานานๆไปถ้าผู้ที่ฝึกอยู่บ่อยๆแล้วมันต้องนั่งนานมันจึงจะเกิดทุกขเวทนาถ้าผู้ฝึกใหม่เนี่ยผู้ฝึกใหม่เนี่ยมันก็ไม่นานแหละเพราะนั่งไม่ ขยับขยื่นหน่อยมันก็จะเกิดความชาความมึนความเจ็บปวดขึ้นมาหรือบางคนทุกขเวทนายังไม่เกิดอุมีนิสัยจิตรวมได้เร็วพ อ, อนั่งกำหนดพุโทโธพุทโธไปหนาทีสินาทีดย๋ยวจิตมันสงบแล้วมันเข้าสู่ความสงบมันก็วาง ถอนความยึดในกายในเนี่ยมันเป็นคือถ้าจิตมันสงบเข้าไปสู่ธรรมชาติมันเลยมันมีแต่ความเบานเบากายเบาใจมันไม่มีตัวมีตนอะ่ะวางตัวตนมันก็มีความสุขความสบายนั่งอยู่นานๆ ไม่เก็บไม่ปวดมีแต่สบายมีแต่เบามีแต่ว่างมีแต่ปลอดโปร่งโล่งแล้รลู้ตื่นในขั้นสมาธิรู้ตื่นเบิกบานมันก็ไม่เก็บไม่ปวดที่นี้มันต้องทำเป็นนานๆอีกเมื่อเวลา จิตมันถอนจากสมาธิจากการเข้าไปสงบในสมาธิมันยังจะปวดมันงจะเก็บจะปวดมันเก็บมันปวดก็ามาพิจารณาพิยารณาความเก็บความปวดที่ท่านเรียกว่าเวทนาก็จะลูกถึงความไม่เที่ยงของเวทนา ทั้งส่วนที่เป็นสุขสบายทั้งส่วนที่เป็นทุกข์มันก็จะเข้าใจเข้าใจจะรู้จริงเห็นจริงในความไม่เที่ยงของเวทนาทั้งสามสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้เราอาศัยสัญญาเราจดจำสิ่งนู่นสิ่งนี้ศึกษาเราเรียนถ้ามีสัญญาดีจำดี มันก็ไม่หลงไม่ลืมง่ายนั่นแหะที่นี่เมื่อมันหลงมันลืมถ้าเราไม่เข้าใจความจริงของเขามันก็จะเกิดทุกข์ก็จะเสียอกเสียใจก็จะจดจะจำอะไรก็จำไม่ได้เกิดความน้อยใจท้อแท่ อ, อนใจเป็นทุกข์ขึ้นมานี่เพราะหลงสัญญาสังขารก็เหมือนกัน ความวิตกวิจารณ์ความคิดปรุงแต่งบางทีมันไม่ไปจะปรุงจะแต่งจะพิจารณาอะไรมันก็ไม่ไปนี่ก็ต้องพยายามวิตกวิจารณ์พยายามฝึกนิทพิจารณาให้เข้าใจในเหตุในผลต่างๆด้วยโดยสังขาร แรงก็จะมาลู่สังขารนี่ไม่เที่ยงสังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งอาจะมาลูว่าสังขารนี่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าสงบระงับสังขารแล้วย่อมนำมาถึงความสุขคือเวลามันคิดปรุงฟุ้งจนเป็นสังขารแหละมันก็เป็นทุกข์อีกมันลู่เท่าทันมันสงบระงับ สังขารความคิดปรุงฟุ้งไม่มีก็เป็นสุขในธรรมะ อ, อนิจจาท่างจงว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงความสงบระงับสังขารย่อมนำมาซึ่งความสุขก็จะเข้าใจความจริงด้วยปัญญาสังขารมิญญาณ ก็ามาวิญญาณความรับรู้รับทราบทางอายตนะตาหูจมูกริ่นคายใจก็จะเข้าใจความจริงของคำว่าวิญญาณก็จะไม่หลงไม่หลงเมื่อตาเห็นรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ่นสัมผัสรสชาติต่างๆก็จะไม่หลงถ้าเข้าใจด้วยปัญญา นี่ไม่หลงวิญญาณรูวิญญาณตามเป็นกิ่งรวมล่ะรลูกคันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพิจารณาในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระเจ้าถามพระปัญญวะคีรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง พระเจ้าข้าเมื่อมันไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าข้าเมื่อมันเป็นทุกข์ควรหรือจะถือว่าเป็นตัวตนไม่ควรพระเจ้าข้ า, าพระพุทธเจ้าถามไปพระเจ้าวิคีก็ตอบไปตามความเห็นรูปไม่ใช่ตัวตนเอทานาไม่ใช่ตัวตนเหมือนกัน เมื่อเข้าใจในขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจิตท่านก็ถอนอุปทานความหลงในขันห้าไม่มีในกิตจพอเข้าใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ตามเป็นจริงนี่จึงว่ารู้ด้วยปัญญารู้เห็นด้วยปัญญามันยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งหมดกังวลนี่การเจริญปัญญารู้เห็นความจริงรวมประชุมลงท่านจึงเรียกว่า ธมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเมื่อความเห็นชอบคือเห็นความจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีวิกิกิจฉาไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีความลู่ลูกคำคำไม่ได้มีอารมณ์วิตกวิจารใน ในสิ่งนั้นอีกเหมือน ก, นกันกับเราเห็นวัตถุอะไรต่างๆเนี่แหละเห็นวัตถุเห็นก้อนหินเหมือนกับว่าเป็นทองคำถ้าเราได้ดูพิสูจน์ด้วยความจริงแล้วว่ามันไม่ใช่มันเป็นเพียงสิ่งที่สมมุติที่เหมือนกันเฉยๆ แต่มันไม่ใช่ทองคำแท้อย่างนี้มันก็หมดความกงังวลถ้าไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วก็โยนทิ้งไปเดี๋ยวมันก็ไปสงสัยหรือเป็นทองคำเราทิ้งไปเนี่ยคือเมื่อความเห็นไม่แจ่มแจ้งมันจะสงสัยนี่ก็เหมือนกันความเห็นใน รูปนามกายใจเนี่ยอันเป็นเหตุให้ต้องมาเป็นปัญหาเวียนเกิดเวียนตายอย่นีอ่าเป็นหาอาทุกเกิดแล้วก็ทุกแก่ทุกเก็บทุกตายอย่านีถ้ามาลู้เรื่องความรินของถาดสี่ขันธ์ห้าอายตนะ ทั้งหกคือรูกกายรู้ใจตามเป็นจริงแล้วมันก็สิ้นสงสัยความสิ้นสงสัยอันนี้เรียกว่าความรู้ความเห็นตามเป็นจริงประุมรวมลงเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเรียกว่าขาดขาดเยื่อใยไม่มีสงสัยนี่เป็นการ ขาดเยื่อใ่ขาดสัมปยุทธ์อันจริงว่าสิ้นสุดทุกสิ้ น, ส, นสิ้นสุดอุปทานสิ้นสุดความหลงด้วยปัญญาเห็นชอบเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา ทำให้มากในยบททั้งสีไม่เรียกไม่เรียกการไม่เรียกเวลาอย่างว่าอาการิโกทำไม่มีการไม่มีเวลาเป็นอาการิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาตั้งสติรละลึกรู้เวลาไหนก่อนเป็นความระลึกรู้เป็นความตั้งมั่นเวลานั้น ต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันไม่ขาดวัคขาดตอนอก็เป็นกำลังใหญ่เป็นสติกำลังในภะละห้าท่านบอกไว้ศรัท ธ, ธาภะละศรัท ธ, ธาวิทยะสติสมาธิปัญญาศรัท ธ, ธาที่เป็นกำลังคือความเชื่อมั่นเมื่อความเชื่อมั่นมั่นลงไปก็เป็นสติมั่น สติมั่นเป็นสมาธิมั่นลงไปด้วยกันแจมแจ้งด้วยความรู้ความเห็นแบบเป็นปัญญามั่นคงก็ทำลายความมืดทำลายความหลงยึดหลงถือได้เนี่ยศรัทธาวิทยะความเพียร เพียรสู้เพียรประพฤติปฏิบัติไม่ท้อถอยเดี๋ยวกิเลสมันจะบอกเราด้วยโอ้ยทำเลไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้ตามความอยากตามความปราธนาท่นก็นกิเลสมันบอกว่าไม่ได้ตามความอยากของกิเลสมันก็ไม่ให้ทาไม่ให้ตั้งสติไม่ให้กำหนดรู้ไม่ให้ทําความรู้ตัว ไม่เชื่อกิเลสเชื่อธรรมก็กำหนดให้ต่อเนื่องไปมีความเพียรจนเป็นกำลังเรียกวิวริยะภระศรัทธาภระวิริยะภระสติภระสมาธิภระปัญญาภระก็ถอนอนุัยถอนอุปทาน ที่ฟังอยู่ในธรรมชาติรูปที่ฟังอยู่ในใจนี่ออกได้ด้วยกำลังหา้ากำลังศรัทธากาลังความเพียรกาลังความะระลึกกาลังความตั้งมั่นกาลังความรอบรู้ศรัทธาวิทยะสติสมาธิปัญญา นีปธธรร่ประพฤติรมปฏิบัติธรรมอยู่ใกล้ๆนี่ลในส่วนภายในส่วนภายนอกกับวัตถุสิ่งของมีอะไรได้มาก็จะสงเคราะห์ได้ก็สงเคราะห์ไปให้ทานไปเสรอเชียอ จ, จานแจกจ่ายไปไหนจะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นนี่ของภายนอกของเป็นวัตถุ ส่วนกายวาจาใจก็สํารวมด้วยศีลละสังวรสิ่งใดบ้างที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามทรงบอกว่ามันเป็นโทษให้เว้นก็เว้นในสิ่งนั้นนี่เดียวว่าศีลคือการงดเว้นเจากโทษรวมเข้ามาเรื่องภายในจิตใจก็เป็นเรื่องภาวนาเป็นเรื่องเจริญ สติสมาธิปัญญาเนี่ยไม่มีการไม่มีเวลาเย็ยนเดินนัง่งนอนกินดื่มทําพูดคิดภาวนาตลอดมีสติกำหนดรู้ตลอดยียกว่าเดินด้วยความรู้นั่งด้วยความรู้เยิยนด้วยความรู้นอนด้วยความรู้ รับทานดื่มกินด้วยความรู้อันเดี๋ยวมีธรรมมีธรรมะทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้ลอบเดไ้ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้รอบอแม่แต่จะเดินไปก็ไม่รู้แล้วก็เดินชนกันไปเรื่อยเพราพอารู้ไม่รอบ ได้โทรศัพท์แล้วก็เอาสายใส่หูเดินไปก็ดูแต่โทรศัพท์ไม่ได้ดูทางที่จะเดินไปว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรเวลานั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องที่ตนเองนั่งอยู่ก็ก้มดูแต่โทรศัพท์ดูแต่แต่มีแต่ทรงออก เรียกว่าไม่รวมเข้าสู่ใจไม่ดูใจเรื่องนู่นเรื่องนี่กดก็กกแก๊แกแก๊โอ้ยยิ่งมีแต่เรื่องเสริมการสร่งออกนี่ธรรมะยิ่งห่างไกลออกไปไม่น้องเข้ามาลู้ตัวลู่กายลู่ใจ เมื่อเจริญธรรมะให้ยิ่งสติทาให้ยิ่งสมาธิทาให้ยิ่งผลก็คือความรู้ความเห็นตามเป็นจริงขาดจากความทุกข์เนี่ยทุกกายทุกใจสิ้นสุดไปได้ด้วยธรรมะ ด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่ยดีไม่ไดไ้ไอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นด้วยไม่ได้เป็นเพราะวัตถุอย่างอื่นเนี่ยเป็นเพราะความรู้ความเห็นเป็นเพราะสติและลึกลู่สมาธิใจตั้งมั่นมันเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะ ลงถึงจุดถึงความจริงหรือว่าลงถึงใจถ้าเปรียบนั้นกับเครื่องบินมันบินจะลงสนามมันดิ่งลงถึงสนามนั้นก็จอดได้ใจเป็นสนามเป็นที่รองรับของทุกสิ่งทุกอย่าง สติปัญญารักษาใจสติปัญญาค้นพ่อใจค้นพ่อจิตรู้จิตรู้จิตเห็นจิตวางจิตรู้ใจเห็นใจวางใจแต่มันลงถึงสนามได้แต่เป็นเครื่องบินแต่มันไม่ลงมันก็บินพอลงลงยังไม่ถึงเดี๋ยวมันเกิดเอินิ้วขึ้นไปเองไปเรื่อยเรื่อย มันก็ไม่จบ ไ, ได้ไม่เข้าถึงจิตถึงใจแท้พบชาติหรือว่าทุกเนี่ยไม่สิ้นสุดล่ะเดี๋ยวมันจะสืบต่อกันไปเรื่อยเรื่อย เ, อ, ยเอ่อปฏิบัติปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อทมที่สุดแห่งทุกขโดยชอบ ให้เจริญสติสมาธิปัญญาไม่มีการไม่มีเวลาทีเมื่อเวลามันเต็มมันมันก็เต็มได้ทุกเวลาเมื่อมันประชุมมรรคยืนเดินนั่งนอนพ้ะอนนท์ท่านเต็มในในลักษณะสี แต่ว่ายืนก็ไม่ใช่นั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่แต่ในขณะลักษณะนั่นแหละครึ่งๆึงกลางๆลางภาษาีบุตรท่านนั่งท่านเต็มขณะที่ถวายงานพัดพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้า พูดกับหลานของท่านนะมันก็เต็มได้ประชุมมารกลงระจิตเนี่ยสงบได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนบางทีเราเดินจงกรมหรือ อย่างครูบาอาจารย์ท่านเดินไปบินท่บาทท่านทําสติไปจิตก็สงบจิตรวมขณะเดินบินทบาทนั้นก็รวมได้เวลาสวดมนต์สวดปฏิโมกนั้นก็รวมได้หรือยืนเพ่งนั้นก็รวมได้เวลานอน กำหนดภาวนาเวลานอนอันก็รวมเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิในเวลานอนมันมันจะต่างกันกับเรานอนหลับเรานอนหลับสนิทมันเป็นอีกอย่างหนึ่งจิตเป็นสมาธิลงถึงฐานเวลานอนมันคือมันตื่นอยู่มันตื่นมันรู้อยู่มันเหมือนไม่นอน มันไม่มันเหมือนไม่นอนถ้าเรานอนหลับสนิท น, นมันเงียบไปไม่ฝันไม่อะไรเฮ้ยนอนหลับสนิทป่านตายเหมือนกับตายอันนั้นมันหลับสนิทนอนหลับสนิทถ้าเรากำหนดภาวนาจิตมันเป็นสมาธิในท่านอนเนี่ยก็ ร่างกายนมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันนอนหรือมันอะไรแต่ว่าจิตเนี่ยมันมันรู้มันตื่นมันรู้ตื่นอยู่ในในอิยาบทนอนเหมือนไม่นอนเหมือนไม่หลับนอมันเป็นมันเป็นได้ผลผลเกิดผลจากการ ภาวนาจากการเจริญสติทั้งนั่นลหละที่ให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นหรือว่าสมาธิความรวมใจลงสู่ความสงบที่นี่เมื่อทาอยู่บ่อยๆทาอยู่เรื่อยๆพลังนี่ก็จะรวมเป็นเรียกว่าจิตมีสมาธิตั้งมั่นไม่ได้เรียกยืนเดินนั่งนอนอะที่นี่ เขาจะมั่นคงเขาจะเป็นตัวของตัวเองอยู่ทุกเอยาบทนั่นเรียกว่าสมาธิความตั้งใจมั่นเนี่ยอันนี้มันเป็นผลเป็นผลจากการเจริญสตินั่นแหละสมาธิเป็นผลจากการ จเจริญสติจากการรักษาศีลปัญญาเป็นผลจากการรักษาศีลการจเจริญสตินั่นแหละเป็นเป็นต้นเหตุทปัญญาเนี่ยเมื่อมันประชุมกันมันรวมลงทั้งรู้ทั้งเห็นตามเป็นจริงแล้ว มันสบายใจมันสบายมันไม่มีปัญหามันไม่มีมันไม่มีทุกเนี่ยมันเมื่อใจมันไม่มีทุกใจมันไม่มีปัญหามันรู้เรื่องทั้งหลายตามเป็นจริงมันปล่อยมันวางมันว่างมันไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งหมดแล้วที ท่านนี่ว่าสิ้นสุดปัญหาท่านนี่ว่าสิ้นสุดพบคืออุปทานการยึดมั่นหรือการเกาะการเกี่ยวเ ห, เหมือนกันกับเหมือนกันกับไม้ไม้มันไม่มีขอไม่มีตาจะเอาไปวางจะเอาไปห้อยตรงไหนมันก็ห้อยไวาอยู่แหละถ้ามันมี กิ่งมีก้านมันมีตามันอย่างไม่ัยเราเอาไปเกาะกิ่งไม้ตรงไหนมันก็ค้างอยู่นั่นได้ีใจไม่มีอุปท า, านไม่มีความหลงก็เหมือนกันแ่ะมันเลยไม่มีจุดที่จะเข้าไปปฏิสนธิในภพนั่นภูมินี่ได้ มันจึงเป็นอิสระเฉพาะตัวเนี่ยมันหมดปัญหามันมีมันมีประโยชน์มันมีอนิสงส์ที่เป็นอมะตะไม่แปรไม่แปรเปลี่ยนไม่แปรผันการภาวนา เ, นเป็นสิ่งสำคัญ เป็นบุญที่ยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเราให้มีความเพียรทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องมีขอบมีเขตว่าจะทำไปถึงไหนหระททำไปจนมันอิม่มมันพอจนมันพ้นทุกข์นั่นแหละจนมันหายทุกข์ในจิตในใจนั่น นี่แต่ถามพอถามแล้วก็ยังไม่ให้ยังไม่พูดถูกถามได้พูดก็ไปพูดไปก่อนอีกอละดวงตาก็ได้ก็เลยคนจะพูดเลยไม่ได้พูดสักทีเอา้าใครจะพูดอะไรก็พูดซะนี่ใครจะพูดอะไรไหม นี่ไม่พูดรู้แล้วรู้หมดแล้ววะแต่ก่อนเวลาลงประชุมฟังเทศหลวงปู่พอท่านเทศแล้วท่านก็จะถามโอ้ยกลัวกลัวท่านจะถามบางวันเนี่ยกลัวกลัวท่านจะถามไม่มีอะไรตอบแต่ถ้าวันไหนไมันมีอุบายก็อยากให้ท่านถามแตนก็ไม่ถาม บางวันอยากตอบท่านไม่ถามเหมือนกับท่านรู้นะบางวันไม่มีอะไรจะตอบกลัวท่านจะถามท่านก็ถามโอ้ยถามเราซะนาะถามเราซะหนอกมาแล้วนะเป็นยังไงเพราะว่า น, น้าเงียบไม่ตอบอะไรเลยมันไม่มีอะไรจะพูด หลวงปู่หลวงปู่อุมาพา่อหลวงปู่ก้านเนี่ยะ เ, เป็นยังไงหลวงพอ่อภาวนาโอ้ยขอการขนอยมันมีแต่ขี้นะขี้ยังไงโอยมันมีแต่ขี้เกียร์ขี้ข้านกับผม <laughs> แต่เวลาจิตมันเป็นไงโอ้พวกไม่ออกตอนหลงตาเข้าวัดใหม่ๆบางทีมีไม่ออกไม่ออกลาไม่ออกลาไม่ออกนั่นคนมันเชียงงามแม่ขาวแม่ข่าวดาไม่ออกดาไม่ออกลาสองคน วันพระวันนี้เขาเดินเดินอย่างน้องหานหมาอนี่มาเซวียนจาศีลโอ้ยถ้าเขาไปหาหลวงปู่เราคอยฟังอะว่แมันจะเป็นอย่างง่อนอย่างนี้วิถีจิตมันรวมลงมันสว่างขึ้นมีอุบายเห็นสแสดงเนื้อหนังหลุดออกไปเนื้อใจโครงกระดูก ยธงทมบอกขึ้นอันนี้จังทุกคงอนัตตาร้อยพวกฟังพวกนี้เพลินน่อฟังสมบัติของพวกไม่ออกของตัวเองไม่มีไอพูดวิธีจิตที่มันจิตมันเป็นสมาธิมันเกิดนิมิตเกิดอุบายทม